สีเนหาสัมภววิปติการเกิดขึ้นแห่งตัณหาที่เหนียวแน่นเป็นความเสียหายของเมตตานั้นก็พิจารณาว่าความเสียหายของเมตตาเนี่ยเวลาเกิดขึ้นมาแล้วก็จะทำให้เมตตา น, นั้นหยุดชะงักลงแต่ผู้เจริญสำคัญผิดว่าเมตตายัางหลงเหลืออยู่ เพราะสภาพของตัณหากับเมตตานะั้นน่ะมันกั้มกลึงใกล้เคียงกันมากคนที่เจริญเมตตาและเมตตาไม่พอคูณไม่เจริญอย่างต่อเนื่องก็เพราะมีตัณหาไปฉุดลังเขาไว้ตัณหาเนะี่ยบางชื่อเขาเรียกชับปานะเป็นตัวเหนี่ยวรังเขาไว้เหมือนเหมือนขนแหนงไผ่เหมือนกิ่งไผ่ที่ประสานกันไว้แน่นประสานกันไว้แน่นเกาะอะไรต่างๆไว้แล้วก็ไม่สามารถที่จะ รอดออกไปได้ถ้าตัวตัณหาเข้ามาครอบงําใจนะเมตตาก็ไม่เข้าถึงความเจริญงอกงามแล้วเขาเรียกว่าตัวความเสียหายของเมตตาก็จะเกิดขึ้นทีนี้ถ้ามันเกิดขึ้นกับเราปุ๊บวิธีการก็คือว่าอารมณ์ใดที่มันจะเป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาทําเมตตาให้เสียหายก็ลาทิ้งอารมณ์นั้นก่อนอย่าเพิ่งไปเจริญอารมณ์นั้น แต่อารมณ์ใดที่มันเป็นปัจจัยเกิดเมตตาได้ง่ายก็อบรมและเจริญอารมณ์นั้นให้ต่อเนื่องอันนี้ก็ต้อง พ, พิจารณาดูให้ดีนะถ้าหากบางคนเนี่ยไม่สังเกตไม่พิจารณาตรงนี้ให้ดีอารมณ์นีท้ทั้งทั้งที่มันเป็นปัจจัยแก่ตัณหาก็ยังฝืนที่จะเจริญยังจะอบรมเนี่ยนะถ้าอย่างนี้เสียหายแล้ว ประการต่อมาคืออาสันนะปัจจติกะราคะอาสันนะปัจจติโกราคะนี่เป็นค่าศึกใกล้ของเมตต า, าราคะราคะคือความกำหนัดความยินดีความเพลิดเพลินอันนี้เป็นค่าศึกไกลดังที่ได้กล่าวว่าจะทําให้ธุระปัจจติกะพยาปาโทธุระปัจจติโกก็พยาบาทก็เป็นค่าศึกไกลของเมตตา ก็อย่างนี้สังเกตอย่างนี้ก็แล้วกันว่าราคะเป็นค่าศึกใกล้โทสะเป็นค่าศึกไกลทําไมราคะจะเป็นค่าศึกใกล้โทสะเป็นค่าศึกไกลก็ไปพิจารณาดูว่าสภาพของราคะเนี่ยที่ว่าใกล้เนี่ยเพราะมันมากันตัญหาเออมันมากันเมตตาเลยนะราคะเนี่ยราคะตัญหาตัวเดียวกันไอตัวราคะตัญหาเนี่ยมันจะมาใกล้ๆกันกับเมตตา ผู้เจริญเมตตาเนี่ยบางทีไปสําคัญผิดว่าอารมณ์บางอารมณ์เป็นที่ตั้งของเมตตาไปสําคัญทันดีว่าเป็นเมตตาทั้งๆ ท, ท, ท, ที่เป็นราคะอารมณ์ที่เป็นที่ตั้งของราคะแต่ไปสําคัญว่าเป็นที่ตั้งของเมตตาก็สับสนตรงนเนี้ยเนืดังที่ได้กล่าวนี่นะเช่นว่าไปเจริญให้กับเพศตรงกันข้ามก่อนเบื้องต้นพอไปเจริญ ป, ปุ๊บเนี่ยใจมันก็คล้อยคล้อยเช่นเราลองไปเพ่งดีเเช่นไปเพ่งวัตถุที่เป็นเพศตรงกันข้ามมากๆ พอเพ่งไปทีแรกก็ระวังใจได้พอหลุดความพอสติขาดนิดหน่อยพอสติหลุดไปนี่นะราคาเกิดเออสวยนะอะเงี้เอองามนี่ดีนี่นข้านาข้าก็ทีละนิดทีละนิดเนี่ยนะนเข้าวก็เป็นเป็นตัณหาเลยไม่ใช่เมตตานี่มันอยู่ใกล้ๆอย่างเงี้ยสามีภรรยาเขาจึงห้ามจึงห้ามเจริญเมตตาให้กันก่อนจึงห้ามเลยอะ่ะ ถ้ามีภรรยาเนี่ยลองไปเจริญเนี่ยพอไปเจริญเนี่ยเมตตาไม่เกิดหรอกที่จะเกิดกลายเป็นลาคะทีนี้ใหม่ๆก็ต้องเจริญในเพศเดียวกันก่อนใช่ไหมเออถ้าอย่างนี้ยเขา่ะเบาหน่อยไม่ต้องระวังลาคะมันเป็นอย่างนี้คอยระวังโทรศัอย่างเดียวที่อยู่ไกลๆอประการต่อไปก็คือว่าพระพุทธเจ้าตรัสกันว่าบอกว่าต้องการรู้คนที่เป็นโทษแก่เมตตาพ่อนาก่อนเมื่อได้เห็นโทษของ โทสะและอานิสงค์ของคติแล้วเนี่ยก็วาระที่ผู้ปฏิบัติพึงเริ่มเจริญเมตตากรรมฐานเพื่อประโยชน์ที่จะค่มใจให้พ้นจากความโกรธซึ่งมีโทษตามที่ได้พิจารณาเห็นและเพื่อประโยชน์ที่จะประกอบตอนไว้ในขันติคุณมีอนิสงส์ตามที่ตนได้รู้จักแต่ก่อนที่จะเริ่มปฏิบัตินั้นน่ะต้องรู้จักคนที่เป็นโทษแก่การเจริญเมตตาซะก่อน เราต้องไปรู้ว่าบุคคลจําพวกนี้เจริญเมตตาไปถึงแนวดับแรกไม่ได้บุคคลจําพวกนี้เจริญเมตตาไปถึงได้ตลอดการเวลานี่นะมาตรฐานอยู่ว่ามันมีมาตรฐานนะว่าเมตตาภาวนาเนี้ยห้ามไม่ให้ผู้ปฏิบัติเจริญในบุคคลสี่จำพวกเปน็นรนดับแรกเราเกลียดชังคนไหนมากคนที่เราเกลียดชังมากๆเนี่ยนะประเภทที่ชื่อก็ไม่อยากได้ยินเนี่ยนะ อย่าพึ่งจเจริญเมตตาให้คนกลุ่มนี้มีไหมเกิดมาที่เราเราเกลียดคนคนเนี้เขาเราเกลียดเน่โดยสรุปเราคือเราเกลียดมากกว่าคนอื่นมากที่สุดมันจะต้องมีกันทุกคนใช่ไหมแต่ไม่ยอมบอกว่าเป็นใครแต่มีใช่ไหมแต่พาะนี้ต้องไม่มีนะโดยหลักการนะว่าต้องไม่มีแต่ในข้อปฏิบัติไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าไม่รู้ แต่ว่าโดยหลักการนั้นไม่ควรมีคนที่เกียรติชังไม่ควรจเจริญเมตตาให้ประการต่อมาคือว่าคนที่รักมากรักแบบชู้สาวรักแบบเพศตรงกันข้ามอะไรเงี้ยรักมากๆเนี่ยอันนี้ก็ยังเบื้องต้นอย่าเพิ่งแล้วคนที่เป็นกลางกลาง เช่นประเภทเฉยเเห็นหน้าก็เห็นก็ได้ไม่เห็นก็ได้คนที่เป็นคู่เวีนกันไอ้คนที่เกลียดกันกับคนที่เป็นคู่เวีนกันนี่คนละอย่างนะถ้าคนที่เป็นคู่เวีนกันเนี่ยก็แปลว่าอะไรก็แปลว่าเราก็จ้องจะทำลายเขาเขาก็จะจ้องทำลายเราคือจองเวีนกันเนี่ย คนต่างเพศห้ามไม่ให้เจริญเมตตาโดยเฉพาะเจ้ะจงและคนที่ตายไปแล้วห้ามไม่เจริญถึงตลอดการคนตายก็ห้ามเช่นเราจะเจริญเมตตาให้กับพ่อกับแม่ที่ตายไปแล้วไม่ได้ห้ามเออมีอยู่ท่านหนึ่งเอเอไปเจริญเมตตาให้กับคนที่ตายไปแล้วเจริญยังไงเมตาก็ไม่ขึ้นเอาอารมณ์นั้นไม่มีอยู่แล้ว แต่ถ้าพ่อแม่ตายไปแล้วไปเกิดเป็นเทวดาเราเจริญให้กับเทวดาได้ไม่ได้แต่ไม่ใช่เป็นนึกถึงคนที่ตายไปแล้วคำตอบก็คือว่าถ้าถามว่าทำไมไม่ให้เจริญบุคคลสี่ประเภทผู้ปฏิบัติเจริญเมตตาโดยเพ่งเอาคนที่เกียดชังมาตั้งไว้ในฐานะเป็นที่รักเป็นสิ่งที่ยากลำบากอย่างยิ่งเมื่อจะเพ่งเอาเพื่อน ขออภัยเมื่อจะเพ่งเอาอารมณ์นั้นเป็นที่รักมากมาตั้งไว้ในฐานะเป็นคนกลางๆงก็เป็นสิ่งที่ทำได้ยากเช่นเดียวกันเช่นแต่เรารักใครมากเลยนะจะอ า, อารมณ์นั้นมาตั้งเนี่ยให้เป็นกลางกางก็ทำยากแม้เพียงแต่เขาได้ประสบทุกข์นิดหน่อยก็เป็นเหตุทำให้ผู้นั้นถึงกับเสียใจร้องไห้ถ้าจะเพ่งบุคคลที่เป็นกลางกลางมาตั้งไว้ในฐานะที่เป็นที่รักก็ทายาก หรือคนที่เป็นคู่เวรการความโกรธแคน้นกันก็จะเกิดขึ้นเมตตาภาวนาย่อมไม่เกิดขึ้นดด้ด้วยเหตุนั้นท่านจึงห้ามการเจริญเมตตาในคนที่เกียรติชังคนที่รักเป็นต้นส่วนบุคคลที่ต่างเพศดังที่พิจารณ์ดังที่บอกว่าถ้าเราไปเพ่งใช่ไหมถ้าเราไปเพ่งเนี่ยนะอารมณ์โดยเฉพาะถ้าหากไปเพ่งอารมณ์นั้นโดยเฉพาะนี่นะ อาราคาจะเกิดหรือไม่เกิดถ้าไปเพ่งจำเพาะทันทีเนี่ยไอตัวราคาตัวความกำหนัดเนี่ยมันเกิดทันทีเลยเนะี่ราคาคือความกำหนัดความยินดีในเพศนั้นก็จะเกิดขึ้นมาแทนเมตตาภาวนาไม่อาจที่จะทำให้เมตตาภาวนาเกิดขึ้นได้ตรงนี้ท่านก็ยกตัวอย่างดังที่ได้กล่าวว่าบุคคลที่ไปพิจารณาหรือเจริญเมตตาให้กับ ให้กลับไปฟันตนเองเนี่ยในที่จริงก็ทำให้เมตานั้นเกิดไม่ได้แต่ที่เกิดได้นั้นคือตัณหาประการต่อมาก็คือว่าในกรณีที่บุคคลตายไปแล้วเนี่ยเมื่อโยคีบุคคลเจริญเมตตาไปถึงคนที่ตายไปแล้ว เขาย่อมไม่สามารถที่จะมารู้ถึงซึ่งอปปนาสมาธิอย่าว่าแต่อปปนาสมาธิเลยแม้แต่อุอปจารสมาธิก็ไม่สามารถที่จะเกิดได้มีภิกษุอยู่รูปหนึ่งนะเจริญเมตตาภาวนาโดยเพ่งเอาอาจารย์ของตนเองมาเป็นอารมณ์ ในขณะที่ไปเพ่งเอาอาจารย์ของตัวเองมาเป็นอารมณ์นั้นน่ะแม้เธอก็ได้เพียงเจริญสักเท่าไหร่น่ะเมตตาก็ไม่เกิดทั้งที่เคยทำได้อย่างชำนิชำนาญมาแล้วคือแต่ก่อนเนี่ยเอาอาจารย์ตัวเองมาเป็นอารมณ์นี่ น, นคือเพ่งไปที่อาจารย์ใช่ไหมตัวเองเคารพนับถืออาจารย์เนี่ยก็เอาอาจารย์มาเป็นอารมณ์ทีนี้เมตตาฌานก็เกิดเกิดได้อย่างคล่องแคล่วเลย อุปจารสมาธิสมาธิที่เฉียดชานก็เกิดและในที่สุดจริงๆทำอปนาสมาธิคือจิตนั้นเข้าถึงความตั้งมั่นดิ่งในอารมณ์เดียวได้โดยการปรารบเอาอาจารย์ที่ตนเองศรัทธา ม, มาเป็นอารมณ์แล้วก็ทำได้อย่างช่ำชองเลยนะต่อมาพยักย้ายเปลี่ยนอารมณ์ก็สามารถตั้งมั่นในอปนาได้เหมือนกันมีอยู่วันหนึ่งตนเองก็ ทำกิจส่วนตนตัดปริพ ooth กังวลเบ็ดเสร็จได้หมดแล้วก็มนสิกานแล้วก็เจริญกรรมฐานที่นี้ในขณะที่เจริญกรรมฐานนั้นก็พอตรึกกรรมฐานเบ็ดเสร็จก็น้อมเอาครูบาอาจารย์นี้พอไปเอาเพ่งไปที่ครูบาอาจารย์ของตนเองทําอยู่อย่างนั้นตลอดคืนยันรุ่งนะไม่ได้เลทอทํายังไงก็ไม่ได้ วันต่อมาก็เอาอารมณ์ของอาจารย์นัะนมาตั้งเหตุการเจริญเมตตาอีกทำยังไงก็สมาธิก็ไม่เกิดก็เลยไปสอบถามอาจารย์อีกท่านหนึ่งว่าเออเนี่ยผมนึกถึงครูบาอาจารย์แต่ก่อนที่อยู่ด้วยกั น, เ, นเอามาเพ่งพิจารณาเอามาตรึกเอามาใขครัวนี่แต่กรรมฐานไม่ขึ้นเลยอาจารย์ก็บอกว่า อุ้ยท่านอาจารย์ท่านนี้มรณาภาพไปแล้วบอกโอ้โเห็นั้มว่าถ้าคนที่ตายไปแล้วเอามาเจริญไม่ได้เพราะอารมณ์นั้นไม่มีแล้วไม่มีที่ตั้งแล้วทีนี้ถ้าสมมติว่าท่านผู้นั้นตายไปแล้วไปเกิดเป็นเทวดาสมมุตินะถ้าเราไปเอาเทวดามาเจริญอย่างนี้ได้นะ เพราะว่าไม่ใช่เอาอารมณ์ที่ตายไปตั้งเอามาเจริญอันนี้เวลาเราจะเจริญกรรมฐานใดๆก็ต้องตรวจสอบอารมณ์ด้วยนะว่าอารมณ์นั้นยังอยู่หรือเปล่าเช่นถ้าเราจะนึกถึงใครเนี่ยนะเอามาเจริญเนี่ยนะถ้าทุกวันนี้ก็ง่ายโทรศัพท์ไปถามดีกว่ายังมีชีวิตอยู่ไหมอาจารยบอกทาไมจะเอามาเป็นอารมณ์กรรมฐานลมพุทธจากกัน น, น้น ถ้าอารมณ์นั้นไม่มีก็เดี๋ยวเดี๋ยวกรรมฐานมันไม่ขึ้นเกิญเป็นอย่างงี้ฉะนั้นในกรณีที่ตายไปแล้วเนี่ยผู้ปฏิบัติเจริญเมตตาไปถึงคนที่ตายไปแล้วเขาย่อมไม่สามารถที่จะบรรลุ ถ, ถึงอัปปนาสมาธิได้แม้แต่ในชั้นของอุปจาระก็ไม่ได้เลยดังที่ได้กล่าวไว้แล้วเนี่ยนั้นถ้าตรวจดูกรรมฐานให้ดีก็จะต้องทราบว่าอารมณ์ใด ควรเจริญหรือไม่ควรเจริญลำดับแรกในการเจริญเมตตาเนี่ยท่านสอนให้เจริญเมตตาภาวนาในตนเองก่อนเป็นอันดับแรกการเจริญเมตตาให้กับตนเองเป็นลำดับแรกนะ่ะโดยภาวนาในใจซ้ำแล้วซ้ำอีกทั้งนี้จนกว่าเมตตาจิตในตนนั้นน่จะปรากฏอย่างเด่นชัด คำภาวนานั้นมีหลายแห่งหลายที่เราจะภาวนาว่าอาหางสุขีโตโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้มีความสุขเถิดอาหางอเวโรโหมิขอให้ข้าพเจ้าอย่าได้มีเวรต่อใครๆเลยอาหางอพยาปโชโหมิขอให้ข้าพเจ้าอย่าได้มีจิตคิดพยาบาทอาฆาตปองร้ายเบียดเบีย น, ยนซึ่งใครๆเลย อาหารอา น, นีโคโหมิขอให้ข้าพเจ้าอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยอาหารสุขีอัตานังปริหารามิขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้มีความสุขรักษาตนให้พ้นจากอันตรายทั้งหลายทั้งปวงถึงนี่นะอันนั้นโดยหลักแต่ว่าบริวารแวดล้อมหรือเราจักเจริญให้ยิ่งกว่านี้ก็ได้เช่นว่าขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากศัตรูทั้งภายในและภายนอก ทั้งที่แล้วได้บอกว่าตั้งเกตนาให้กับตนเองก็ว่าในการที่จะเมื่อเจริญเมตตาให้กับตนเองอย่างต่อเนื่องแบบนี้เบษษ็ดเสร็จก็ตั้งจิตปรารถนาดูดูในใจของตนเองว่าสิ่งที่ตนเองปรารถนาสิ่งที่ตนเองมุ่งหวังสิ่งที่ตนเองต้องการมากที่สุดนั้นมันคืออะไร พอรู้ความปรารถนารู้ความต้องการรู้วัตถุประสงค์ของตนเองเบ็ดเสร็จอย่างนี้เขาเรียกว่าตรวจสอบตนเองให้ได้เมื่อสักครู่ได้พูดถึงลักษณะของเมตตาเราก็รู้ลักษณะของเมตตารู้กิจของเมตตารู้อาการปรากฏของเมตตาแล้วใช่ไหมว่าเป็นยังไงพอรู้เบ็ดเสร็จนี้เราก็มาตรวจสอบดูเบ็ดเสร็จว่าใจของเราเป็นไปกับเมตตาไหมทีนี้เมตตาในเบื้องต้นดังที่ได้กล่าวไว้แล้วว่า ทำศรัทธาในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ตั้งมั่นก่อนอะทำไมจึงทําศรัทธาในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ตั้งมั่นก็ศรัทธาเป็นอริยทรัพย์เนี่ยเมื่อศรัทธาเกิดขึ้นในใจเนี่ยตัวศรัทธานั่นแหละจะเป็นตัวเปิดช่องให้กับกุศลธรรมทั้งหลายมีเมตตาเป็นต้นเนึ่งเข้ามาเกิดทีนี้เมื่อเมตตาเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ย ก็เป็นการที่จะเปิดจิตใจของตอนเองนั้นเพื่อรองรับพระธรรมเทศนารับพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าตัวเมตตาภาวนาเนี่ยกว่าที่พระพุทธเจ้าจะตัดสู้ได้เนี่ยนะจะประกาศจะบอกจะเปิดเผยแสดงเนี่ยสั่งสมอบรมมาเสียสงไข ย, ยิ่งโดยแสนกับเนยแล้วก็พิจารณาอย่างนี้ใจมันก็จะมีเมตตามากขึ้นทีนี้พอใจมีเมตตามากขึ้นมากขึ้นมีศรัทธามากขึ้นด้วยตามลําดับเนี่ยนะ ก็เริ่มบริหารใจให้เป็นเมตตาในอดีตเนี่ยใจของเรานะั้นน่ะปล่อยสะปาสปล่อยสเปซสปาใช่ไหมละเลยแต่พอมาในปัจจุบันนั้นเรามาสังเกตว่าเออใจของเราเนะี่ยมันมีอะไรเข้าเกี่ยวข้องเออมีเมตตาอยู่ในกระแสจิตไหมเนี่ยถ้ามีเมตตาอยู่ในกระแสจิตก็บริหารเมตตาดังที่ได้กล่าวไว้แล้วว่า ให้ถือเสมือนว่าเรานั้นเป็นนักบริหารนะเนี่ยสมัยก่อนเราบริหารงานข้างนอกแต่ในปัจจุบันเราจะบริหารใจของเราเนี่ยให้เป็นไปกับเมตตาเนี่ยเราจะทำยังไงเออถ้าจะบริหารใจของเราให้เป็นไปกับเมตตานั้นเราก็ต้องดึงอะไรมาด้วยดึงวิริยะมาเอาวิริยะมาคอยประคับประคองไม่ให้เมตตานั้นหกลม้ม ก็หมายความว่าเมตตาจะเกิดขึ้นปฏิติดปต่อจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจะเกิดขึ้นอย่างเนืองเนืองหรือไม่เนี่ยก็จะต้องมีวิริยะมาคอยประคับประคองก็ว่าตัววิริยะเนี่ยมาคอยค้ำไม่ให้เมตตาหกลม้มเหมือนเสาบ้านมาค้ำบ้านไม่ให้บ้านล้มเมื่อเจอพายุเป็นต้นในตัววิริยะกล่าวคือความเพียรพยายามนเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายบอกว่า บอกว่าเธอจงบากบัน่นจงเพียรพยายามจงต่อสู้เนืองเนืองในพระศาสนาจงบากบัน่นจงเพียรพยายามจงต่อสู้เนืองเนืองเนี่ยนะในพระพุทธศาสนาคำนั้นก็คือว่าจงเจริญสมถะนั่นแหละจงเจริญวิปัสสนาแต่เมตตาเป็นสมถะนะ บอกจงเจริญสมถะภาวนาคือเมตตาภาวนาเนี่ยจงต่อสู้เนืองๆก็คือว่าเอาเมตตาภาวนาเนี่ยมาเกิดขึ้นเนืองๆไอ้คาว่าเนืองๆแปลว่าบ่อยๆนะเนืองๆเนี่ยทําเมตตาให้เกิดขึ้นแล้วๆเล่าๆไม่ใช่ว่าขนาดจ uh, ิตนี้มีเมตตาแล้วเราก็ทิ้งไปเลยเออเรามีเมตตาแล้วเช่นชั่วโมงนี้นะโอ้ยพยายามทําอย่างต่อเนื่อง พอเลยชั่วโมงนี้ไปแล้วทิ้งแล้วย่างนี้ไม่ได้อย่างนี้ไม่ไ ม, ไม่ไม่เข้าหลักคำว่าเนืองเนืองคำว่าเนืองเนืองเนี่ยก็แปลว่าปรารบอยู่เสมอปรารบเป็นอัธยาศัยเลยจนสามารถทำให้เมตตานั้นเกิดขึ้นได้อย่างคล่องแคล่วทุกๆอารมณ์พอได้ยินเสียงเรียกมาปุ๊บเนี่ยปรารบเสียงก็ปารบด้วยเมตตาถ้าทำได้ขนาดนี้ถือว่าใช้ได้ หรือว่าถ้าเห็นอารมณ์ใดๆเกิดขึ้นที่เป็นสิ่งมีชีวิตเป็นสัตว์เป็นบุคคลเนี่ยนะเมตตาก็เป็นไปกับการเห็นด้วยได้กลิ่นลิ้มรสสัมผัสคิดนึกเมตตาก็วิ่งท่านอยู่ตามอารมณ์ต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นเนืองๆ อ, อย่างนี้แสดงว่าเข้าขั้นแล้วไม่สามารถบริหารเมตตาได้อย่างต่อเนื่องอย่างนี้ใช้ได้ แต่ว่าถ้าบริหารเมตตาไม่ได้อันนั้นจะเสียหายนั้นตัวเมตตาเนี่ยจะต้องสามารถบริหารให้ได้ถ้าบริหารเมตตาไม่ได้นะเมตตาเนี่ยเกิดได้นิดเดียวใช่ไหมแล้วมันก็หมดไปพอเมตตาหมดไปจากใจก็ยังไม่รู้อีกว่าเมตตามันหมดถ้าอย่างนี้แย่แล้ว ต้องคอยตรวจสอบให้ดีอาสังเกตยังไงผลปรากฏของเมตตาเมตตาต้องกำจัดความพยาบาทความมาคาดความขุนใจได้เช่นโดนว่านิดว่าน้อยก็ไม่แค้นเคืองอย่างนี้แสดงว่าเมตตามีผลนะบอกเฮ้ยเรานี่เจริญเมตตานะใครสะกิดเล็กๆ น, น้อยๆก็ไม่ได้เนี่ยแต่อย่างนี้ไม่ได้แล้วนั้นถ้าหากว่าเมตตาเกิดขึ้นจริงๆเนี่ย ใครตำหนิก็ไม่โกรธเออถ้าอย่างนี้แสดงให้เห็นชัดว่าตัวเมตตาเนี่ยมันเกิดขึ้นเมตตาเกิดขึ้นประการต่อมาก็คือว่าพระพุทธเจ้าตรัสเขาไว้ในคัมภีร์สั่งยุตตนิกาสขาทวัก สเพธิสาอนุปริคั ม, มเจรดซาเนวัชคาปิยตาละมัตตนากุกกวจิอยังปิโยปุทูอัตตาเปเรสังตัสมาเนหิงเสปรมัตตากามูบัณฑิตได้คิดคิดคน้คนค้นคว้าดูจนทั่วทุกคนทุกทิศ ก็ไม่ได้เห็นคนที่ใดในทิศไหนที่จะเป็นที่รักยิ่งกว่าตนตนของตนแต่ละบุคคลทุกจำพวกย่อมเป็นที่รักมากอย่างนี้เพราะฉะนั้นบัณฑิตผู้รักตนจึงไม่ควรเบียดเบียนคนอื่นแม้ในที่สุดมดและปลวกก็ไม่ควรจะเบียดเบียนเพราะพระพุทธเจ้านี่นะตรวจสอบดูทุกทิศ ดูกระแสจิตของสัตว์โลกทุกจำพวกในส1อดพบในแสนโกดจักรวาลตรวจ ด, ดูเบเซ็จแล้วไม่เห็นคนอื่นใดในทิศไหนที่จะเป็นที่รักยิ่งกว่าตนของตนฉะนั้นตนเป็นที่รักอย่างยิ่งรักอื่นเสมอด้วยตนไม่มีนะ ฉะนั้นเมื่อตนเป็นที่รักอย่างนี้บัณฑิตผู้รักตนจึงไม่ควรเบียดเบียนคนอื่นเขาแม้ที่สุดมดและปลวกก็ไม่ควรจะไปเบียดเบียนเขาพอมาพิจารณาดูอย่างนี้แล้วว่าตนเป็นที่รักใช่ไหม เมื่อผู้ปฏิบัติได้เจริญเมตตาในตนให้เป็นสักขีพยานเป็นอันดับแรกด้วยภาวนาวิธีอย่างนี้แล้วเนี่ยต่อไปก็ให้เจริญเมตตาไปในบุคคลที่เรารักเป็นคํารบที่สองเอ๊ะ ท, ทำไมต้องเป็นอย่างนั้นเมื่อเจริญเมตตาให้กักตนเองเบ็ดเสร็จทีนี้ต่อไปเราเคารพเรารักใครก็แผ่เมตตาไปให้ อันนี้หมายถึงคนเริ่มแรกนี่นะเริ่มแรกที่จะอยู่กับเมตตานี่ยนะเพื่อจะพยุงเมตตาภาวนาให้เกิดขึ้นโดยง่ายผู้ปฏิบัติจงละลึกถึงคุณธรรมมันเป็นเหตุชวนให้เกิดความพอใช้เช่นการให้ปันละการเจรจาไพา่เลาะการละลึกถึงคุณธรรมมันชวนให้เกิดความเคารพความสรรเสริญเช่นมัน ญ, ญาติที่ดีงามเป็นต้นเนะีให้นึกยังไงให้คิดว่า สมมติเรารักใครเราศรัท ธ, ธาใครเนี่เออเราก็นึกถึงมันญ า, าติของท่านผู้นั้นใช่ไหมเออท่านผู้นี้มีมันญาติทางกายดีมันญาติทางใจดีมีมันญาติทางวาจาดีเออท่านผู้นี้เป็นคนสงบเรียบร้อยท่านผู้นี้เป็นคนชอบให้ทานคนคนนี้ชอบฟังธรรมเนี่ยเราก็ปรารถเอากุศลธรรมของท่านน่ยนะมาระลึกพอมาระลึกในลักษณะอย่างนี้แล้วก็ แผ่เมตตาให้ท่านบุญการแผ่เมตตาก็คือบอกว่าขอให้คนที่เป็นที่รักของข้าพเจ้าจงเป็นผู้มีความสุขเกิดขอให้คนที่เป็นที่รักของข้าพเจ้าอย่าได้มีเวรต่อใครๆเลยขอให้คนที่เป็นที่รักของข้าพเจ้าอย่าได้มีจิตคิดพยาบาทอาฆาตปองร้ายเบียดเบียนซึ่งใครครเลยขอให้คนที่เป็นที่รักของข้าพเจ้าอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย ขอให้คนที่เป็นที่รักของข้าพเจ้าจงเป็นผู้มีความสุขรักษาตในให้พ้นจากอันตรายทั้งหลายทั้งปวงดูพยายามคิดอย่างนี้นะเออพยายามตรึกคิดนึกอยู่อย่างนี้แล้วแล้วเราเราเนี่ยจนสมาธิตั้งมันอย่างนี้เขาเรียกว่าจเจริญเมตตาไปในบุคคลที่เป็นที่รักนี่เมตตาจะขึ้นเลยอสังเกตไหมว่าเริ่มจากตนเองก่อนพอตนเองจนแนบแน่นเบ็ดเสร็จแล้ว เริ่มมีตนเป็นพยานแล้วคําว่ามีตนเป็นพยานในที่นั้นคือมีตนเป็นสักขีพยานว่าเออเรานนเนี่ยรักตนนี่นึงเมื่อรักตนขนาดนี้ก็ไม่ควรเบียดเบียนคนอื่นเลยใช่ไหมแต่นี้ก็สาวหาอารมณ์ที่เตนที่รักมันจะต้องมีสักคนใช่ไหมที่เราลักอะ่ะเราปรารถนาดีเนี่ยจริงๆเนี่ยนะแล้วก็วิ่งหาอารมณ์นะั่น แล้วเราก็แผ่อารมณ์นั้นไปแผ่จิตใจนั้นไปถ้าหากบคุคคลที่เราเคารพนับถือเป็นคนที่มีคุณธรรมมากนะถ้ายิ่งเราแผ่เมตตาไปให้นะไอตัวเมตตานะั้นมันย้อนกลับไหมมันย้อนแต่เราอย่าไปคิดหวังย้อนนะแต่เพียงว่าถ้าเราด่าคนมีคุณธรรมมากบาปมันก็เกิดเร็วอา้าวถ้าเราเมตตาท่านอา้าวเมตตามันก็ย้อนเข้าหาเราเร็ว เห็นไหมว่าไอ้สภาพของใจมันก็จะแนบแน่นได้เร็วที่มันแนบแน่นได้เร็วก็เพราะว่าเมตตามันถึงพึ่งย้ายอารมณ์และมันไม่ได้ย้ายตรงกันข้ามเท่าไหร่เช่นมันมีตนเป็นที่รักแล้วก็แผ่ให้กับตนเองจนแนบแน่นเบ็ดเสร็จนี้พอย้ายตนเองไปหาคนที่เรารักเนี่ยนะเอออารมณ์มันไม่แทบไม่ต่างกันเลยอเพียงแต่เป็นอารมณ์ภายนอกกับอารมณ์ภายในอ่ะ เบื้องต้นจริงๆก็คือการอารมณ์ภายในคือการแผลกับตนเองใช่ไหมประการต่อมาคือแผลกับบุคคลที่เรารักก็คือมีอารมณ์ภายนอกก็คือว่ามันเหมือนอย่างนี้มันเหมือนนักกีฬาเนี่ยนะนักกีฬาเนี่ยเขาออกเวลาฟิตซ้อมเนี่ยนะวิ่งเนี่ยนะเอาวิ่งในค่ายก่อนนะออกกำลังในค่ายเออพกแข็งแรงดีเบ็ดเสร็จแล้วก็เออออกไปวิ่งข้างนอกหน่อย เพราะสภาพงอกค่ายกันในค่ายมันต่างกันอแต่ยังไม่ได้ไปต่อสู้กับเขาจริงๆเนี่ยเออลักษณะาการเจริญเมตตาในรักลคายๆอย่างนั้นเนี่ยใหม่ๆก็เจริญให้กับตนเองประการต่อมาเปลี่ยนจากตนเองก็เป็นบุคคลที่เรารักเอออารมภายนอกใช่ไหการเปลี่ยนก็ไม่เปลี่ยนแบบวูบว่าไม่ใช่ว่า ออกจากตนเองเแบบเสร็จก็แพลไอ้คนที่เราไม่ชอบเลยอย่างงี้โอ้โหอย่างเงี้ยถ้าอย่างนี้เสียเลยเดี๋ยวกรรมาฐานก็เข้าถึงความหกกำเนิดตีลังกาคือพังไงกรรมาฐานพังนั่นต้องต้องชํานาญใช่ไหมเขาบอกว่าการเดินทางเนี่ยนักดูแผนที่เป็นเนี่ยเขาก็จะรู้ว่าทางไหนมันปลอดภัยไม่ปลอดภัยทางไหนมันดีไม่ดี วิ่งทางไหนแล้วเนี่ยมันจะทําให้สภาพการเดินทางของตนเองเนี่ยไปได้ช้าไปได้เร็วยังไงก็เขาตรวจสอบ อ, อันนี้ก็เหมือนกันนักเจริญกรรมาฐานก็ต้องตรวจสอบอันนี้เหมือน ก, นการเจริญไปในบุคคลที่รักเนี่ยก็ไปพิจารณาถึงการให้ปันลาบการเจราจาภไพโรการร ะ, ะลึกถึงกุธรรมัญชวนให้เกิดความเคารพและการสรรเสริญมารยาท ต, ต่างๆเป็นต้นบางกลุ่มเนี่ย ถ้าคนที่เขามีครูบาอาจารย์นเนี่ยเนี่หลังจากเจริญให้กับตนเองเบ็ดเสร็จเขาก็เจริญให้กับอุปชาอาจารหรือเจริญให้กับพ่อและแม่เป็นต้นนี่เขาเรกเจริญไปให้บุคคลที่เป็นที่รักที่เคารพแล้วเขาก็ภาวนาดังที่ได้กล่าวอาหารสุขิโต โ, โหมีเป็นต้นเออขอปิยาเมสุขิตะโตหมีเป็นต้นเนี่ ย, ออยะโโนะขอให้คนที่เป็นที่รักของข้าพเจ้าจงเป็นผู้จงจงจ ง, จงมีความสุขเถิด ขอให้คนที่เป็นที่รักของข้าพเจ้าอย่าได้มีเวรต่อกันและกันเลยเป็นต้นเมื่ออบรมเมื่อเจริญไปลักษณะอย่างนั้นแล้วเนี่ยก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ภาวนานั้ น, เ, นเข้าถึงความเจริญงอกงามได้มีเป็นไปลักษณะอย่างนี้นะประการต่อไปก็คือว่าการเพียนพยายามซ้ำแล้วซ้ำเล่าเรื่องนะถึงจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ตนเองนั้นเข้าถึงความ บริบูรณ์เข้าถึงความเจริญได้ประการต่อมาในการอบรมในการเจริญกรรมฐานเนี่ยนะสิ่งที่เราจะต้องทำความเข้าใจอีกก็คือว่าการเจริญและต่อมาหลังจากที่เจริญให้กับบุคคลที่เป็นที่รักแล้วเนี่ยประการต่อมาก็คือเจริญเมตตาเจริญเมตตาไปให้กับบุคคลที่เป็น ก, กลางๆางเจริญเมตตาไปให้กับบุคคลที่เป็น ศัตรูตามลำดับนะหรือศัตรูเนี่ยไว้ตอนท้ายนะเช่นคนที่เราไม่พอใจเนี่ยต้องผ่านจากการตรึกแนวอารมณ์อื่นจนช่ำชองเบ็ดเสร็จแล้วเนยโดยสำนวนก็คือว่าจนใจของเราเข้าถึงความคล่องแคล่วเมตตาเดินได้สะดวกแล้วประเภทที่ชำนาญอย่างชนิดที่ช่ำชองแล้วเวลา ไปน้อมนึกถึงคนที่เป็นศัตรูกันหนึ่งเออใจมันมีความโกรธเกิดขึ้นไหมแต่ถ้ามันมีความโกรธจะเกิดขึ้นให้รีบหนีอารมณ์นั้นทันีตัดทิ้งเลยนะอย่าพยา ย, ยามนะกลับมาฝึกในอารมณ์อื่นใหม่แล้วค่อยกลับไปเจริญใหม่เพราะว่าคนที่เป็นคู่เวรกันเนี่ยจเจริญค่อนข้างยากจเจริญค่อนข้างยาก เมื you know, ่อเจริญบุคคลที่เป็นกลางกลางเบ็ดเสร็จนะนะการเจริญบุคคลที่เป็นกลางกลางเนี in so ่ยถ้าหากสามารถเจริญได้เนี่ยแสดงให้เห็นชัดว่าเป็นการยกระดับจิตได้นะเช่นคนที่เราเฉยเยเนี่ยนะเราไม่ได้รักไม่ได้ช่างเนี่ยคนประเภทนี้ถ้าเราเจริญเมตตาได้สามารถยกระดับที่อารมณ์กลางๆให้เรามีความรักความปรารถนาดีความเมื่อทอนต่ออารมณ์นั้นได้แสดงให้เห็นชัดว่าใจของเราเนี่ยสามารถฝึกได้แล้ว เช่นอารมณ์ที่รักมากที่สุดนี่นะที่จะเป็นปัจจัยเกิดราคาเราก็กัน ร, ราคาได้สามารถทําให้เมตตาอย่างถ่องแท้เกิดได้เข้าใจใช่ไหมอารมณ์ที่จะเป็นปัจจัยอารมณ์ที่เป็นกลางๆที่เราไม่เคยชอบไม่เคยชังเลยสามารถยกเป็นระดับแห่งความเมตตาเ อ, อื้อทอนได้อีกเหมือนกันโอนี่ยอดแล้วแล้วที่ดีไปกว่านั้นก็คือว่าสามารถดับจิตทั้งตนเองฝึกหัดจิตทังตนเองเนี่ย กระทบกับอารมณ์ที่เป็นปฏิปักได้เช่นอารมณ์ที่เป็นปฏิคานิมิตหนึ่งสามารถเจริญเมตตาในอารมณ์นั้นได้ถือว่าแน่ไหมโอ้ยถือว่าชำนาญแล้วอย่างเงี้ยเช่นคนที่เราไม่ชอบสามารถแผ่ลมใจไปถึงอารมณ์นั้นก็ใจก็น้อมไปหาอารมณ์นั้นได้อย่างท่องแท้อย่างชัดแจ้งเลยโอ้ยอย่างนี้ใช้ได้แล้วไม่ใช่จะทาได้ง่ายๆนะการจะแผ่ เมตตาไปให้กับบุคคลที่เราเกลียดได้เนี่ยแล้วก็กลายเป็นความรักได้เนี่ยโอ้โหแสดงว่าดังที่ได้กล่าวว่ามองดูกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมของบุคคลที่เราเกลียดใช่ไหมอ่าถ้าเขากายกรรมเขาดีแต่วจีกรรมมโนกรรมไม่ดีเนี่ยสามารถปิดวจีกรรมมโนกรรมได้มองส่วนกายกรรมควบคุมกรรมทั้งสามทั้งสองเขาได้เห็นส่วนที่ดีได้เลย แยกแยะเอาส่วนดีแล้วก็ปิดส่วนเสียเขาได้สามารถเอามาเป็นอารมณ์แห่งการเจริญเมตตาทําให้ใจนั้นเข้าถึงความแนบแน่นได้ไม่เก่งจะไปไหนยัถ้าทําได้ขนาดนั้นโอ้โหเป็นบุญแล้วต่อไปอารมณ์ใดๆก็ไม่กระทบกระทั่งจิตใจแล้วก็อายุมากๆก็ไม่ร้องไห้เพราะงั้นเดี๋ยวร้องไห้ตอนอายุมาก ร้องไห้ทำไมถึงร้องไห้ตอนอายุมากแมมคนที่นอนอยู่ในเตียงแล้วก็ทําช่วยตัวเองไม่ได้เนี่นะบางครั้งนะเนี่ยเราอยากจะกินอะไรอยากจะทําอะไรเนี่ยไม่มีใครทําได้อย่างใจเราเนี่ยเพราะใจเรามันมันเปลี่ยนเร็วอยู่แล้วใช่ไหมเดี๋ยวก็เปลี่ยนไปทางนูน้นเดี๋ยวก็เปลี่ยนไปทางนี้อยู่ตลอดเวลานั้นจิตมันเป็นอย่างนี้ถ้าเราฝึกไว้เส็จแล้วเนี่ยต่อไปก็จะ จากอันตรายต่างๆได้ส่วนผู้ปฏิบัติที่ไม่ไม่ไม่ไ ม, ไ ม, มีคู่เวนนะด้วยอำนาจแห่งบารมีในชาติก่อนมาตามสนองผลนี่นี่คือเป็นคนที่ไม่ได้ประพฤติความเสียหายให้เป็นที่ระขายเคืองใดๆนี่ในชาติปัจจุบันได้ด้วยเหตุที่เป็นมหาบุรุษผู้มีอัธยาศัยกว้างขวางเนี่เเป็นผู้สมบูรณ์เพียรพร้อมด้วยคุณธรรม คือคนบางคนเนี่ยนะมีขันติมีเมตตามีกรุณาที่ได้สั่งสมมาแต่ชาต์ก่อนๆแม้เมื่อมุคคนอื่นทําความเสียหายก็ไม่ได้โกรธเคืองเป็นคนอดกั้นด้ทุกสิ่งทุกอย่างถามคนแบบนี้มีไหมมีคือไม่โกรธใครไม่แค้นเคืองใครเนี่ยไม่พยาบาทใครใครจะบัตทศร้ายอย่างไรก็ไม่โกรธไม่น้อมจิตที่จะโกรธอย่างนี้ยคนประเภทนี้นะ เขาเรียกว่าคนที่มีอัธยาศัยที่สั่งสมมาดีคนประเภทนี้เวลามาเจริญเมตตานี่นะ่แ น, นิดเดียวแค่นั้นเองไปได้อย่างเร็วมากเพราะจิตใจเขาไม่เคืองคุณกันเขาไม่มีความมาฆ่าพยาบาทใครเขาเป็นคนที่มีขันติแล้วก็ไม่สำคัญเห็นความผิดของคนอื่นยิ่งไปกว่าเส้นยาความผิดของคนอื่นคือมองโทษของคนอื่นเหมือนเส้นยา เล็กมากเขาจะทำโทษใหญ่หลวงกับเราขนาดไหนก็เหมือนเส้นญ้าเล็กๆยังบุคคลทั้งหลายที่ละความกโกรธไม่ได้เนี่ยพอไปเห็นโทษที่ผู้คนอื่นทําให้เหมือนภูเขามันไม่เหมือนเส้นญ้าใช่ไหมเช่นเขาพูดนิดเดียวเนี่ยนะบอกแหมโทษนี้ใหญ่หลวงมากยังไงมันต้องมันต้องแก้แค้นเคยเป็นใช่ไหมเพียงเขา ว่านิดเดียวแค่นั้นแหละโอ้โหเอาไปผูกอาคาตเอาไปพยาบาทอย่างนี้เขาเรียกว่ามองเห็นโทษนิดเดียวเท่าภูเขามันไม่มองเห็นเหมือนเส้นญ้าแต่ถ้าบัณฑิตหรือคนที่ก็มีปัญญาทั้งหลายอ่ะบอกโอ้โหมีคนคนหนึ่งเขาตาหนิโทษท่านเนี่ยนินทากันโหจับกลุ่มว่างั้นเนียก็มองเห็นเป็นเส้นหญ้าเล็กๆถ้าอย่างนี้แสดงว่าเป็นคนที่จเจริญเมตตาได้ดี และเป็นคนไม่มีเวรภกับใครคนประเภทนี้โอ้โหใจเขางามมากใจเขาดีมากเนี่ยนะทีนี้ถ้าหากว่าประเภทที่ดังที่ได้ ก, กล่าวเนี่ยถ้ามันเกิดความกโกรธง่ายๆเนี่ยบุคคลผู้มีจิตใจในคนผู้เป็นคู่คู่เวรกันโดยความโกรธแค้นผุดขึ้นแล้วหวนนึกถึงความผิดที่เขาได้กระทํากรรมทําเวรไว้แต่ก่อนเมื่อเป็นเช่นนี้ ถ้าบุคคลหวนกลับไปเจริญฌานที่ตนทําให้เกิดแล้วในบุคคลจําพวกก่อนๆมีคนที่เป็นที่รักเป็นต้นหลายๆหนนออกจากสมาธิเหล่านั้นแล้วก็เจริญเข้าหาบุคคลผู้เป็นเวรแล้วแล้วเราก็บรรเทาความโกรธแค้นหายลงไปได้ยกตัวอย่างเช่นนะถ้าเราไปนึกถึงคนที่เป็นคู่เวรกันเนี่ยเนืมันโกรธก็ให้ทิ้งอารมณ์นั้นก่อน ก็กลับมาเจริญให้กับตนเองจนจิตใจแนบแน่นเป็นสมาธิออกจากตนเองเบียดเสร็จก็ไปเจริญให้กับบุคคลที่เป็นที่รักออกจากบุคคลที่เป็นที่รักก็ให้บุคคลที่เป็นกลางกลางออกจากบุคคลที่เป็นกลางกลางก็ไปหาบุคคลที่เป็นศัตรูหรือคู่เวรเดี๋ยวมันก็หายได้ทีอันนี้เขาเรียวกว่าความฉลาดในการในการในการบริหารใจบริหารใจนะต้องฉลาดนะถ้า ถ้าดึงดันนะบอกว่าอารมณ์นี่แหละเราต้องเอาชนะให้ได้เอาชนะให้ได้ชนะจริงๆคือจะไปนชนะคนที่เราจะจะไปเพ่งอารมณ์นั้นนีเสียแล้วพอไปคิดถึงบุคคลที่เราโกรธบางทีมันลืมตัวก็แบบแม่เราก็หวังดีต่อเขาตั้งต่อหน้าและรับหลังไม่น่าเลยเขาเนี่ยทำไมต้องทำเราขนาดนี้เริ่มอะไรเงี้ยนะนี่คิดผิดแล้ว ต้องรีบถอนกลับโดยสำนวนก็คือจะดดนค่าศึกตีตลบหลังแล้วอย่างนี้ต้องต้องรีบการถอยถอยกลับแล้วต้องรีบถอยกลับประการต่อมาก็คือว่านึกถึงพุทธโอวาทของพระพุทธเจ้าเนี่ยการนึกถึงพุทธโอวาทก็คือว่าความโกรธแค้นเนี่ยถ้าคิดไปแล้วมันไม่หาย ก็บรรเทาความโกรธแค้นให้จงได้ด้วยการพิจารณาถึงพุทธโอวาทที่พระพุทธเจ้าตัดสอนไว้โดยเฉพาะในกกจูปมาสูตรก็เคยมาบรรยายแล้วเนี่ยที่พระพุทธเจ้าอุปมาเนี่ยความโกรธบอกว่าดูก่อนพิเฮ้ยเจ้าบุรุษขี้โกรธวิธีวิธีเตือนตัวเองก็ใช้สำนวนนี้เนี่ยในจำนวนวิสธิมารเก็ใช้คาว่าเฮ้ย เจ้าบุรุษขี่โกรธเอ๋ยเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้แล้วไม่ใช่หรือว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้าพวกโจรผู้มีใจหยาบช้าจะพึงเอาเลื่อยมีด้ามสองข้างมาเลื่อยอวัยวะทั้งหลายแม้ขณะเมื่อพวกโจรทำการเลื่อยอวัยวะอยู่นั้นผู้ใดเกิดมีใจประทุษร้ายต่อพวกโจร น, นั้นเขาผู้นั้นชื่อว่าไม่ปฏิบัติตามคาสอนของเรา เพราะเหตุที่มีใจประทุสล้ายนั้นดังนี้ประการหนึ่งสอนตัวเองนะรำดับแรกว่าเออนี่เฮ้ยเจ้าบุรุษขี้โกรธเอยถ้าเป็นสตรีก็เฮ้ยสตรีี่เวลาเตือนตัวเองนะบอกพระพุทธเจ้าของเราสอนไว้แล้วไม่ใช่หรือว่าถ้ามีคนเอาเรื่อยนะมาตัดเอาเยว ะ, วะท่านอยู่ ในขณะที่เขากําลังเลื่อยอยู่นั้นน่ะถ้าเราไปกโกรธเนี่ยชื่อว่าไม่ทําตามคําสั่งสอนของเราคือพระพุทธเจ้าเออนี่ยเขาก็ไม่เห็นทำถึงขนาดนั้นเนี่ยใช่ไหมเพียงก็ว่าเล็กๆน้อยๆยังไม่ถึงขนาดเอาเลื่อยมาตัด อ, อวัยวะเลยเร า, าทําไมขี้โกรธถึงปานนี้ะอะไรอเงนนี้วิธีเตือนตอนเองประการเลยประการที่สองก็คือว่าผู้ใดกโกรธตอบคนที่กโกรธก่อนผู้นั้นชื่อว่าเป็นคนเลวเสียยิ่งกว่าคนที่โกรธก่อน เพราะเหตุที่โกรธตอบนั้นผู้ใดไม่โกรธตอบคนที่โกรธก่อนผู้นั้นชื่อว่าชนะสงครามที่ชนะได้ยากแสนยากผู้ใดรู้ว่าคนอื่นโกรธแล้วเป็นผู้มีสติยั้งความโกรธไว้เสียได้คือไม่โกรธตอบผู้นั้นได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติสิ่งที่ประโยชน์แก่ตนและแก่ผู้อื่นทั้งสองฝ่ายดังนี้ประการหนึ่งเออมันอย่างนี้นะถ้าถามว่าใครเลวกว่าใครเนี่ยนะ คนอื่นเขาโกรธก็ชื่อว่าเลวอยู่แล้วถ้าเราไปโกรธตอบเราเลวกว่าเขาเขาบอกว่าอีกอุปมาหนึ่งนะเขาบอกฟืนเนี่ยไม้ฟืนที่เขาเอาไปเผาศพไอ้ข้างหัวไปเผาศพเนี่ยนะไอ้ไฟก็ไหม้ไปซะครึ่งหนึ่งแล้วไอ้ไอ้เออตรงตรงตร ง, ตรงท้ายก็ไฟไหม้ไอ้ตรงต้นนั่นก็ไฟไหม้นะหัวท้ายเนี่ยไฟไหม้ ไอ้ตรงกลางกับเพื่อนรากสุนัข ก, ก็ถามบอกว่าไอ้ไม้ฟืนชนิดเนี้มีคนมีความต้องการจะเอาไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นไหมหัวท้ายไฟไหมตรงกลางระเปื้อนรากสุนัขอุจจาสุนักเป็นต้นยังมีคนต้องการไม้ฟืนชนิดนี้เอาไปทํากิจทําไม้จิ้มฟันเป็นต้นเนี่ยมีคนนะ่ยเขาไม่ต้องการฉันใดคนที่ขี้กโกรธนะั่นะนะ่ยเขาบอกแย่ยิ่งกว่าไม้ฟืนนะั้น ไม้ปืนที่เขาใช้เผาศพนั่นเองเขาเอามาคิดแบบนี้นะคนที่โกรธเนี่ยและคนโกรธก่อนเนี่ยนะกับคนโกรธหลังเนี่ยคนโกรธหลังเลวกว่าคนโกรธก่อนเอออะทำไมถึงเป็นอย่างนี้อาคนโกรธก่อนเนี่ยเราก็รู้ว่าเขาเลวเขาไม่ดีอะถ้าเราไปโกรธตอบแสดงว่าเราแย่กว่าเขาก็เราเห็นตัวอย่างอยู่แล้วว่าเขากำลังทำกรรมชั่วทากรรมไม่ดีทำกรรมมลามกอยู่ ทำไมเราจึงกระโดดทํากรรมตามเขาด้วยแล้วอุปมาก็คือว่ามีอยู่คนคนหนึ่งกําลังกรรมอุจจาระเนี่ยนะกําลังคว้างระเลงหน้าตัวเองอยู่เนี่ยนะเราก็เอ้อเราทํามั่งนะเราก็ไปกรรมอุจจาระมาละเลงหน้าตัวเองเนี่ยฉะนั้นคนที่ทําที่หลังเนี่ยมันน่าเกลียดกว่าคนทําก่อนเพราะทาั้งทั้งที่มีตัวอย่างให้ดูอยู่ใช่ไหมใช่ก็น่าจะรู้ว่ามันไม่ดี ไอคนทำก่อนเนี่ยเขายังไม่เขายังเลวน้อยกว่าเราเพราะว่าเขาไม่เห็นตัวอย่างนี่หรืออีกอย่างหนึ่งท่านบอกว่าถ้ามีคนหนึ่งโกรธแล้วเราไปโกรธตอบชื่อว่าผู้บริโภคร่วมบริโภคร่วมเช่นคนเขากินอาหารเนี่ยถ้าเขากินอยู่มีคนเขาเรียกเราเอ้ยมากินด้วยกันเนี่ยเราไปกระโดดกินร่วมกับเขาอันนี้เหมือนกัน คนเขาโกรธอยู่เขาเอกให้มาโกรธร่วมกันแล้วก็ไปกระโดดโกรธร่วมกันกันล้วมองเห็นอย่างนั้นคนโกรธที่หลังเนี่ยแย่กว่าคนโกรธก่อนเคยโกรธที่หลังบ่อยไหมถ้าเขาจะโกรธต้องบอกแล้วเดี๋ยวเบรกก่อนให้ฉันโกรธก่อนถามทำไมฉันจะได้เร็วน้อยกว่าคุณเอางั้นนะต้องบอกว่าคุณคุณต้องโกรธที่หลังฉันที่ให้ฉันโกรธก่อนถ้ามบอกโกรธก่อนมันเร็วน้อยกว่าโกรธหลังเลี้มากกว่าไม่เอานี่เป็นอย่างนี้ ดูก่อนภิกษูตทั้งหลายอากุศลกรรมบท7ประการที่ศัตรูต้องการให้มีแก่กันและกันนะครับประการที่หนึ่งก็คือศัตรูในโลกนี้ย่อมคิดล้ายหมายโทษให้แก่ศัตรูด้วยทําอย่างไรหนอไอเจ้าคนนี้จึงจะเป็นคนมีผิวพรรณชั่วเพราะศัตรูย่อมไม่พอใจที่จะให้ศัตรูมีผิวพรรณงามประการแรกเลยเป็นอย่างนี้จริงๆนะเวลาเขาจะคิดให้แก่กันนะเออทำอยังไงจะทําให้คนคนนี้ผิวพรรณไมไ่งามไม่ดี ดูก่อนภิกูุทั้งหลายบุรุษขี้โกรธอันความโกรธครอบงำแล้วถือแต่ความโกรธเป็นเบื้องหน้านี้ถึงเขาจะอาบน้ำชำระกายให้สะอาดดีแล้วไล้ทาผิวให้ผุดผ่องดีแล้วตัดผมและกรโนนเขาให้เรียบร้อยดีแล้วนุ่งห่มผ้าที่ขาวสะอาดดีแล้วถึงทาอย่างนั้นก็ตามทีแต่เขาพูดถึงความโกรธถูกความโกรธครอบงาแล้วย่อมชื่อว่ายังเป็นบุคคลผู้มีผิว พันชั่วอยู่นั่นเองเอาเถไปอาบน้ําไปชาําระไปขัดเป็นคนขี้โกรธเนี่ยนะถึงจะแต่งตัวงามๆก็เชื่อว่าผิวพรรณไม่งามเพราะว่าแล้วโกรธเนี่ยทํากรรมคนที่โกรธมากๆเนี่ยนะถ้าทํากรรมในชาตินี้นะไปชาติหน้ายิ่งไม่งามใหญ่เลยคนขี้โกรธเนี่ยไปชาติหน้าไม่งามเหมือนใครเหมือนนางมาริกาเนี่ยนางมาริก า, า, กาแกดําแกก็ไปถามพระพุทธเจ้าใช่ไหมว่าข้าแต่พระองค์ผูเ้เจริญว่า เพราะกรรมอะไรเนอะแล่ที่ข้าพเจ้าเกิดมาจึงเป็นคนรูปชั่วตัวดำไม่งามแต่มีทรัพมากมียศถาบรรดาศักดิ์มาไม่งามก็จริงนะแต่มีทรัพย์มากมียศถาบรรดาศักดิ์มาพระพุทธเจ้าบอกว่าในอดีตชาติเนี่ยให้ทานแล้วก็ไม่ลิษยาแต่เป็นคนมักโกรธขี้ใจน้อยเออแต่ผิวผิวชั่วผิวผิวดาผิ ว, ผ ว, ผ ว, ผวไม่งาม แต่รวยแต่มียศถาบรรดาศักดิ์ได้เป็นมเหสีของพระเจ้าเป็นดินปกติคนจะเป็นพระมเหสีของพระเจ้าเป็นดินต้องงามใช่ไหมแต่นางมารีกาไม่งามเลยเพราะทําบุญมาดีถึงไม่งามได้สูงๆอย่างนั้นก็ไม่เป็นไรนะ <c oughs> เอากี้โกดคือคือจะโกดต่อไปว่างั้นเลยคือจะโกดต่อ <c> ศ <oughs> ัตรูย่อมคิดล้ายหมายโทษให้ศัตรูด้วยตนเองว่าทําอย่างไรหนอเจ้าคนนี้จึงจะ พึงอยู่เป็นทุกข์นั่นเป็นประการที่สองประการที่สก็คือว่าทําอย่างไรหนอไอ้เจ้าคนนี้จึงจะไม่มีทรัพย์มากประการที่สี่ทำอย่างไรหนอไอ้เจ้าคนนี้จึงจะไม่มีโพค้าสมบัติมากประการที่ห้าทำอย่างไรหนอไอ้เจ้าคนนี้จึงจะไม่มียศถาบรรดาศักดิ์มากประการที่หกทาอย่างไรหนอไอ้เจ้าคนนี้จึงจะไม่มี พวกพ้องมิสหายที่ดีประการที่เจ็ดทำอย่างไรน้อยเจ้าคนนี้นับแต่ที่มันแตกกายทําลายชีพไปแล้วจึงจะไปบังเกิดจึงจะไม่ไปบังเกิดในสุขติโลกสวรรค์เพราะศัตรูย่อมไม่พอใจให้ศัตรูประสบสุขติโลกสวรรค์ดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุรุษขี้โกรธอันความโกรธครอบงำแล้วถือเอาแต่ความโกรธเป็นเบื้องหน้าย่อมประพฤติทุจริตทางกายก็ได้ ประพฤติทุจริตทางวาจาก็ได้ประพฤติทุจริตทางใจก็ได้นับแต่เวลาที่แต่กายทําลายชีพแล้วก็เข้าถึงผู้ที่ถูกความโกรธครอบงําก็มีอบายทุกขติวินิบัตินรกเป็นไปในเบื้องหน้าอันนี้คือประการหนึ่งนะประพฤติจารณาอย่างนี้แล้วน่าสลัดทิ้งจริงๆนะความโกรธควรเร่งรีบเจริญเมตตาจริงๆนะนะประการต่อมาก็บอกดูก่อนพิสูุ์ทั้งหลายฟืนสําหรับเผาศพดังที่ได้กล่าวนี่นะไฟก็ไหมทั้งสอง ตรงกลางก็เปื้อนเปื่อนลากสุนัขคูสุนัขไม่สำเร็จเป็นฟืนบ้านไม่สำเร็จเป็นฟืนป่าคือเอามาทำประโยชน์ใดๆก็ไม่ได้คนขี้โกรธมีลักษณะเหมือนอย่างนั้นเหมือนอย่างนั้นว่าถ้าใครเอาฟืนประเภทที่ไฟไหม้ทั้งสองข้างแล้วก็ตรงกลางเปื่อนคูเปื่อนอุจจาระของสุนัขเป็นต้นก็ถามบอกว่าเนี่ยไปทาฝาบ้านนร ไม่เอาคนขี้โกรธก็มีอุปมายอย่างนั้นบัดนี้เจ้ามัวแต่โกรธเขาอยู่อย่างนี้จะไม่ชื่อว่าปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระผู้มีพภาคเจ้าจกได้ชื่อว่าเป็นคนเลวเสียยิ่งกว่าคนที่โกรธก่อนจกไม่ได้ชื่อว่าชนะสงครามอัญชนะได้แสนยากจากได้ชื่อว่าทําอากวศลกรรมันสัตรูพึงกะระทำต่อกันให้แก่ตนเสียด้วยจกได้ชื่อว่าเป็นผู้มีลักษณะการเหมือนฟืนเผาศพด้วย นี่ก็เอามาเอามาเอามาถากมาถางเอามาสับตัวเองบ่อยๆนะถ้าตัวเองเกิดความโกรธก็เนี่ยแหละเอาพุทธโอวาสนี้แหละมาถากถางตัวเองบ่อยๆประดุดทั้เหมือนเหมือนขอเหมือนขอช้างนะเนี่ยเอามาสับบ่อยๆถ้ามันไม่จําก็เอามาสาธยายเอามานึกตรึกบ่อยๆเดี๋ยวไม่กล้าโกรธใครเลยตรงนี้ทีนี้โดยมากไม่เอามาคิดนะทั้งที่นึกไม่ออกเลยใช่ไหมเวลาความโกรธ เข้าครอบงามใจก็มืดตื่นึกอะไรไม่ออกนึกเห็นแต่หน้าคนที่ไม่พอใจแค่นั้นออกนอกนั้นนึกไม่ออกถ้าอย่างนี้ไม่ได้ก็ต้องพยายามเอาว่าสับบ่อยๆทําได้ไหมถ้าทําได้นะเดี๋ยวต่อไปตรนี้มันโล่งเลยเต็มตอนนี้มันไม่โล่งเนี่ยมันติดขัดอยู่ใช่ไหมมันยังติดขัดอยู่ต้องเอาคําสอนมาสับตัวเองบ่อยๆนี่คืออุบายที่สองพระพุทธเจ้าสอนอุบายไว้ทั้งเก้าอย่างนะในการละความกโกรธเนี่ย ถ้าอุบายประการที่สามดังที่ได้เคยกล่าวไว้แล้วก็คือพุทธโอวาสเนี่ยสอนตนเองด้วยประการอย่างนี้ก็คือว่าถ้าสมมุตินะวิธีประการที่สองเนี่ยเอามาคิดยังไงมันก็ล้าไม่ได้ใช่ไหมมาพิจารณาถึงพุทธโอวาสอุปมาดังเลื่อยก่อนไม่สะดุงสะดุ้งสะเทือนพิจารณาถึงโกรธบุคคลอื่นคนโกรธตอบเนี่ยเร็วกวคนนั้นก็อนมองไอ้สะดุ้งสะเทือนพิจารณาถึงเจ็ดประการนั่นนะ บอกลักษณะความนโกรธประทุสล้ายต่อความโกรธยังไงก็ไม่สะดุ้งสะเทือนหรือจะพิจารณาเหมือนกับฟืนเผาศพก็ยังไม่สะดุ้งสะเทือนอย่างนี้มันไม่มันไม่หลุดเนี่ยเอาใหม่เอาอุบายอย่างใหม่ถึงเนี่ยพระเจ้าบอกว่าจงเพียรทําอุบายอย่างอื่นต่อไปว่ามัน <c oughs> เช่นว่าความเรียบร้อยความสะอาดของคนบางคนเ <c oughs> มื่อมานํามาพิจารณาดูเนี่ยคนบางคนมีมารยาททางกายเรียบร้อยแต่ว่าอย่างเดียวเท่านั้นเนี่ย คือว่าคนบางคนเนี่ยกายกรรมเขาเรียบร้อยแต่ว่าจีกรรมมโนกรรมไม่เรียบร้อยเราก็เอากายกรรมคือความเรียบร้อยร้อยทางกายของเขาเนี่ยมามาม า, มาคิดมาตึกมาพิจารณาให้มากแล้วสามารถปกคุมวจีกรรมมโนกรรมได้ลักษณะนี้ก็สามารถที่จะเจริญเมตตาได้คนบางคนมีมารยาททางวาจาอย่างเดียวและมีความเรียบร้อยทางวาจานั้นคนทั่วไปก็ย่อมรู้ได้เพราะว่า คนที่มีมารยาททางวาจาเรียบร้อยนะั้นโดยปกติแล้วฉลาดในการปฏิบัติสันฐานเป็นคนพูดที่นิ่มนวลเป็นคนร่าเริงใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสทักทายก่อนถึงการสวดสด้วยเสียงกไะเพละเวลาสวดมนต์ก็ฟังเพราะหวงเนน่คนบางคนที่มีวัจีกรรมเรียบร้อยเนี่ยสวดก็เพราะแสดงทำได้อย่างชัดถ้อยชัดคาทั้งบททั้งพยัญชนะ คนที่แสดงอันนี้เรียบร้อยเนี่ยเขาเรียกคนมีมารยาททางวาจาเรียบร้อยคนเช่นเนี้ยแต่แต่เป็นคนที่มีกายกรรมและทางใจเนี่ยไม่เรียบร้อยเช่นทางกายประพฤติไม่ดีทางใจก็คิดแต่เรื่องบาปเนี่ยนะแต่วาจาเขาพูดดีเนี่ยเนีเราก็ระลึกถึงวจีกรรมของเขาแล้วก็สามารถเจริญเมตตาได้คนบางคนมีมารยาททางเรียบร้อยแต่ทางใจอย่างเดียว และเรียบร้อยทางใจนั้นปรากฏเด่นชัดแก่คนทั่วไปในขณะที่อย่างเช่นไหว้พระเจดีเป็นต้นมีจิตสงบเรียบร้อยไหว้พระเจดีไหว้พระศรีมหาโพกราบพระเีวราทั้งหลายเนี่ยกราบด้วยกริยาอันไม่เครารพหรอกนั่งอยู่ในโรงพรมก็นั่งอย่างงุน ง, านง่านพุ้งซ่านส่วนใจนะ่ะเป็นคนมีจิตใจเรียบร้อยย่ำกราบว่ายอย่างสนิทสนมด้วยความเชื่อมั่น ถึงฟังธทมก็เงียโสดฟังได้ดีเนี่ยลักษณะอย่างนี้เราก็ดูทางใจของเขาแล้วก็ปิดกั้นทั้งสองทางนิถ้าคนบางคนไม่มีความเรียบร้อยทั้งทางกายทั้งทางวาจาทั้งใจเลยคนเช่นเนี้ยก็ยังไม่เป็นสิ่งที่เหลือวิสัยทีเดียวต่อบุคคลที่จะเจริญเมตตาเนี่ยโดยการปรงตกลงไปว่าคนเช่นนี้ถึงแม้เขาจะเที่ยว ขวางหูขวางตาอยู่ในมนุษย์โลกนี้ก็แต่เพียงปัจจุบันชาตินี้เท่านั้นต่อไปไม่ช้าไม่นานสักเท่าไรเขาก็จะต้องท่องเที่ยวไปในมหานรก8ดขุมมีเอเวจีมหานรกเป็นต้นโดยแท้เพราะอาศัยแม้เพียงความกรุณาเช่นนี้ความอาฆาตแค้นก็จักสงบลงได้สมมุติถ้าเราเห็นคนบางคนนี่นะกายก็ชั่ววจีก็ชั่วใจก็ชั่วแล้วบอกโอ้มันจะขวางหูขวางตาเฉ่าะในปัจจุบันพบเท่านี้ ถ้าไปในอนาคตในที่สุดจริงๆคนคนนี้ลงนรกไหมอ๋อลงนรกมีอบายทุคติวินิบาต์นรกเป็นที่ไปในเบื้องเน้อโอ้น่าสงสารนะพอบอกวก็น่าสงสารเนี่ยออสสเอะความที่เคยอาฆาตก็สงบระงับทันทีใช่ไหมเคยคิดแบบนี้ไหม ย, ยังไม่เคยคิดเลยเคยแบบต้องคิดบ่อยๆประการต่อมาก็คือว่าผู้ปฏิบัติเนี่ยได้พยายามบรรเทาความมาคาต ต่างๆอย่างนี้แล้วก็ไม่สามารถที่จะระงับได้จงพิจารณาต่อไปบอกว่าคนเป็นคู่เวรทําทุกข์ให้แก่เจ้าได้ก็ต้องร่างกายของเจ้าเหตุไฉนเจ้าถึงปรารถนาที่จะห่อเปาความทุกข์นั้นเข้ามาใส่จิตใจของตนอันไม่ใช่วิสัยที่คู่เวรที่จะพึงทําได้เราหมายความบอกว่าคนผู้เป็นคู่เวรกับเราเนี่ยเป็นศัตรูกับเราเนี่ยทำทุกข์ให้แก่เจ้าได้ก็แต่ตรงร่างกายของเจ้าเท่านั้นแต่ เหตุฉะไหนเจ้าจึงปรารถนาจะหอบเอาความทุกนั้นเอามาใส่ไว้ในใจของตนด้วแล้วอันไม่ใช่อันมิใช่วิสัยที่คนคู่เวรจะพึงทำได้แล้วเช่นถ้าเขาจะทบตีเราก็กระทำได้แค่ร่างกายแค่นั้นเน่เขาไม่สามารถดึงเอาใจของเรามาทบมาตีได้เพราะใจเปน็นนามาทำแล้วทำไมเราต้องไปโกรธเขาด้วยเราเนี่ยนะประการแรก มูญาติซึ่งเป็นผู้มีอุปการะคุณเป็นนันมากทั้งที่มีหน้าชุ่มโชคอยู่ด้วยน้ำตาเจ้าก็อุตส่าห์ทิ้งเขามาเอออย่างยกตัวอย่างนักบวชเนี่ยอุตส่าห์สละอะไรต่างๆมาเยอะแยะเลยออกมาบวชเนี่ยเหตุฉะไหนจึงละไม่ได้ซึ่งความโกรธแล้วประกาศตนเองออกมาบอกไม่เอาแล้วบ้านช่องห้องหออะไรต่างๆที่ไร่ที่นาทรัพอะไรต่างๆเนี่ยบอกไม่เอาแล้ว เพางั้นนะทิ้งหมดแล้วเอาแต่ทําไมมาเอาความโกรธเข้าไว้ล่ะอันเป็นตัวศัตรูทําความพินาาให้ใหญ่หลวงโดยแท้ทําไมต้องแบกเอาศัตรูพอด้วยแล้วเอามาทําไมความโกรธเนี่ยใช่ไหมควรจัดการทิ้งไปได้แล้วนี่วิธีคิดประการที่สองประการต่อมาก็บอกว่าอุตสารักษาศีลเราใดไว้ แต่เจ้าก็ได้พนา้าพนอความโกรธอันเป็นเครื่องตัดรอนรากศีลเหล่านั้นด้วยใครเล่าจะโง่เสื่อเหมือนเจ้างั้นอันนี้วิธีตําหนี่ตัวเองนะเราจะรักษาศีลใช่ไหมจะปลูกต้นศีลให้มันจเจริญรุ่งเรืองเนี่ยเอ๊แต่ทําไมเราเอาเพีย้ยเอาศัตรูของต้นข้าวต้นพืชไปปล่อยไว้ทําไมไปพนา้นาพนอทําไมไม่รีบกําจัดออกแล้ว เรารู้นะว่าโทสะเนี่ยมันกลัวทำลายศีลศีลกับโทสะเนี่ยมันอยู่ด้วยกันไม่ได้ทำไมจึงพันเน้าพันนอความกโกรธไว้ทำไมจึงโง่อย่างนี้ว่ากันันนี้พระพุทธเจ้าว่า น, นี่นี่ประการนี้ประการต่อมาก็คือว่าเจ้ากโกรธว่าคนคู่เวียนได้ทำความผิดอันใหญ่หลวงให้แก่เจ้าแต่เหตุไน จึงปราถนาจะทําความผิดเช่นนั้นด้วยตนเองถ้ามีคนทําความเสียหายให้กับเราเขาว่าเราเขาตําหนิเราใช่ไหมบอกว่าเราตําหนิเขาอ่ะบอกว่าเรากโกรธเขาคนคู่เวีนได้ทําความผิดอันใหญ่หลวงให้แก่เราเหตุไฉ น, นจึงปรารถนาจะทําความผิดเช่นนั้นเนี่ยด้วยตนเสียเองเราเช่นเราบอกว่าเ อ, อคนคนนี้นิสัยไม่ดี